หลังจากได้พิจารณาเลือกเฟ้นอยู่เป็นเวลานานแล้วคณะที่ปรึกษาได้กล่าวประคมถึงว่าอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามพระราชประสงค์นั้นเห็นควรเป็นอาจารย์วิศวามิตผู้ได้รับการยกย่องมานานเป็นที่เคารพนับถือของมหาชนชาวไบิลพัฒน์ควรที่พระราชาพิยรถจะทรงถือเป็นพระอาจารย์พระเจ้าสุโธชนะทรงเห็นชอบด้วย และให้พระราชโอรสเข้าศึกษาวิชาเบื้องต้นในสำนักของอาจารย์วิชานวิจันทร์พระองค์ทรงมั่นพระทัยว่าพระราชกุมารจะนำความสำเร็ จ, จงามในการศึกษามาเป็นรางวัลแห่งความปราบปลื้มแกพ่พระองค์พระองค์ทรงจำอยู่ได้เสมอถึงคำทนายของอสิตตาลาบทหรือ น, นักโทการเทวิน บุคคลในโลกนี้มีสีจ่จำพวกคือหนึ่งผู้มีปัญญาแหลมหลักแทงทะลุปลูโโปรในข้อปัญหาและคําสอนของอาจารย์แม้เพียงยกหัว ข, ข้อขึ้นแสดงอันท่านเรียกว่าปุคติกันอยู่ 2. ผู้มีปัญญาค้่อนขัางดีเพียงยกหัวข้อขึ้นแสดงอาจยังไม่เข้าใจแต่เมื่อได้รับคำอธิบาย ได้รับนัยตะให้คำสอนนั้นก็เข้าใจได้อันท่าเรียกว่าวิปจิกันอยู่ผู้มีปัญญาผ่านกลางไม่ได้รับคำแนะนำท่านสอนอยู่บ่อยๆอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งก็สามารถเข้าใจคำสอนนั้นอันท่านเรียกว่าเนยบุคคลพอแนะนำได้และสี่ผู้มีปัญญาอ่อนมาก แม้ว่าจะแนะนำท่านสอนเท่าไหรก็ไม่ได้ผลเส ม, มือนเมล็ดพืชปรยางเหลยวหรือข้าเปลือกเมล็ดลีบจะนาไปเพาะปลูกในที่ดินที่ดีอย่างไรก็ไม่อาจให้งอกลามได้ ทั่วไปในโลก่อกลายในด้านสติปัญญาก็มีอยู่สี่จำพวกชนีแต่พระสิทธ์ขะกุมารต้องจักเป็นบุคคลพิเศษมีปัญญาล้ำเลิศสิ่งใดที่อาจารย์สอนหมวดพระองค์ทรงกำหนดสิ่งนั้นแล้วก็สามารถแทงทะลุปลูกโปร่งวิจิตพิสดารมากกว่าที่พระอาจารย์บอกเล่ามีบางครั้ง ที่พระอาจารย์เลื่อนไปในหลักคำสอนอันเป็นคันถีบทคือบทที่ลึกลับซับซ้อนพระองค์ก็ทรงบอกให้ก่อให้เกิดความพิศวงแก่อาจารย์อย่างมากแต่พระราชกุมารมหามายาบุตรทรงมีพระอัจฉริย์สายงามแม้จะทรงมีความรู้ย่งควาอาจารย์ก็หาแสดงอาการขาดคารวะไม่ยิง่งมีก็เจอส า, ส, าสูงขึ้น ความเฉลียวฉลาดก็ยังสูงขึ้นตามมีปปีชาสามารถสูงเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีผู้ใดที่เชี่ยวชาญในการไล่เนื้อที่มีฝีเท้าเร็วเสมอโดยพระองค์ไม่มีสารถีใดชํางลานในการขับแข่งราชรถในสนามแห่งราชวางังเท่าพระองค์แต่ก็มีอยู่บ่อยครั้งที่ทรงไล่เนืเ้อจนจะทันอยู่แล้วก็ทรงปล่อยให้เนื้อทายหนีไปเสีย ในการแข่งขันเช่นการแข่งมา้าก็มีบ่อยครั้งเหมือนกันที่พระองค์ทรงจวนจะชนะอยู่แล้วแต่ทรงหยุดเสียพระทรงเห็นว่าม้าเหนื่อยมากหรือบางข่าวก็ทรงเกรงว่าพระญาติวงศ์ที่แพ้พระองค์นั้นจะทรงเสียพระไทยแต่บางคราวก็เป็นพระทรงซึมเศร้าด้วยการฝันถึงอะไรอย่างหนึ่งซึ่งพระองค์ ทรงลังเลสงสัยความเป็นมาของมันอยู่เสมอชีวิตชีวิตนั่นเองความเป็นมาของชีวิต จะมีความเก่งกล้าสามารถเพียงไรแต่พระราช ก, กุมารก็ยังทรงยุคมั่นในความเคารพอาจารย์พระจริยาความเคารพดังกล่าวนี้พุทธังคูนทั้งหลายย่อมปฏิบัติต่ออาจารย์ทุกๆกคนแตกใจใสกับอาจารย์ด้วย อ, อาการคารวะเสมอจะยืนเดินลุกนั่งก็มีพระอาการแห่งความยำเกรงพระองค์ทรงมีลักษณะเป็นเจ้าชายผู้สูงสัก ซึ่งกราบด้วยพระาอาการอาลีและมูลไมมีพระจัญญาสุภาพเรียบร้อยแต่มีความเข้มแข็งอดทนพระองค์ทรงตรหนดีว่าการเคาเรพอาจารย์นั้นเป็นสริมงคลแต่ตัวอย่างน้อยที่สุดอาจารย์เป็นผู้มีวัยสูงกว่าและมีน้ำใจเปลี่ยมด้วยความหวังดีต่อสิทธิแม้สิดจะเก่งกว่าสามารถกว่า อาจารย์ก็ไม่เคยคิดริษยาสิทธิ์มีแต่ความภาคภูมิใจว่าเป็นสิทธ์ตนและสิทธิ์นี้เป็นคนดีมีความสามารถสิทธ์ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้มากๆสิทธิ์ที่คลายความเคารพในอาจารย์ลงนั้นมีแต่ความเสื่อมปิ่นเบืองหน้านหนึ่งเล่าอัธยาศัยแห่งพระพุทธกุมารีน้อมไปในทางนี้เมตตากรุณา ต่อขสรรพสัตว์ไม่เลือกหน้าเพศและไหวมีระาลูกไทยอ่อนโยนมองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นเสมอได้ความทุกข์ของพระองค์เอง พระองค์ยังทรงระลึกได้อยู่ถึงคราวที่ตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาขวัญสมเด็จพระราชบิดาให้ประดับตกแต่งนครกระ บ, บิลพัฒน์งามดุเทพนครให้ตกแต่งไถประมาณหนึ่งรยเจ็ดไถประจักเชือกผูกกับทั้งเขาโคล้วนแต่หุบใด้เงินแลไถเอกออันหนึ่งสำหรับพระราชาทรงนั้น ประักเชือกผูกกับทั้งเขาโคลวดแต่หุ้มในทองส่วนองค์พระราชาก็ทรงสัพาพรราชวิภูสิทแวดล้อมด้วยหมู่อมาตยและพล้อมขหบรรดีเป็นอันมากรวมทั้งราชบุษ ช, ชาวพนะกการกมนาทั้งปวงล้วนนุ่งหม่มอุดมพักทัดทรงอลงกดบุปผาสุขันธวิเลปนาการสเสด็จสู่ภูมิสถาน ซึ่งกระทำวับปักมงคลแรกนาขวัญสมเด็จพระราชบิดาทรงชักชวนพระราชกุมารไปในงานแรกนาขวัญ น, นั้นเพื่อให้ทรงทอดพระเนตรพิธีเป็นนักข ะ, ะเรกของบ้านเมืองเป็นสิ่งน่าดูอย่างหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิให้ทอดพระเนตรพื้นดินอนุดรมเป็นแหล่งเกิดแหงครับแก่ชาวนา ให้ดูมรดกของพระราชบิดาซึ่งจะต้องตกเป็นของพระกุมารเมื่อพระราชบิดาล่วงลับไปแล้ว ไดรสรูต้ต่อไปในภายหน้าได้ทอดพระเนตรกระแสน้ำตินิชาติสันเขียวสดและโคซึ่งเดินในทุ่งใช้คออันแข็งของมาลากไถด้วยอํานาจแห่งไถนั้นดินก็ถูกขุดออกเป็นแผ่ น, น, น, นและเป็นแถวเป็นแนวฝ่ายคนไถก็พยายามกดคันไถให้ลึกลงลึกลงเพื่อให้ไถกินดินลึกลงไปอีกที่บางแห่ง มีต้นเทียนและต้นตะไคร้งอบขึ้นเป็นเครื่องประดับแต่บางแห่งก็กำลังหวานข้าวส่วนบริเวงป่าใกล้ๆทุ่งหนานั้นก็มีเสียงขับร้องแห่งนกยูงเจีย๊ยาในพงหนามมีสัตว์เล็กเช่นกิ้งกา่าพึ่งมแมลงปอและสัตว์อื่นอีนอกมากมายในฤดูใบไม้ผลินี้ดูอะไรๆช่างสดชื่นรื่นรมไปสิ้น นกคีบูนสีงามจับอยู่ที่กิ่งมะม่วงกระรอกเล่าก็กระโดโดโลดเต้นแล้วไต่ไปตามกิ่งไม้ขนหางของมันเป็นพวงผู้ดูงามตาตัวแกนปากงุมก็ร่างตามผีเสื้อที่มีสีต่างๆเคียงข้างกระแตซึ่งกำลังแล่นขั บ, บแมลงนกกระทุงก็ไล่ร่านหาอาหาร พลางปัดเป่าเกาคอเสื้อลาสีลายชอบกิจลาก็จดจ้างย่างอยู่นริมหนองพวกนกยางเดินเล่นบนหลังกระเบือบางตัวกำลังสิบปลาอยู่ริมหนองน้ำนกเจี่ยวหมุนแข้งอยู่กลางเวหาตาก็สอดสายพักสาหารนกพ่ราบขันคูอยู่ทุกมุมหน้าบริเวณแถวนั้น ไกลออกไปเสียงกลางแห่งวิวาหมงคลดังกระหึ่มทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความไพศูล ที่สามสัจจะแทมายาพระสิทธถะาเมตถะเนตรยสิ่งเหล่านี้ก็ทรงพรเพลิดเพลินเจริญพระทัยไปพักหนึ่งแต่แล้วเมื่อพระองค์ทรงดำริจางลึกซึ้งก็ทรงมองเห็นอะไรบางอย่างซึ่งแฝงอยู่ในสิ่งนั้นนั้นเนื่องจากมีพระบารมีแห่งพระโพธิญาณเต็มเปลี่ยนแล้วจึงทรงมองเห็นสิ่งลึกซึ้ง และกว้างไกลกว่าพวกดารุณในปฐมวัยทั้งหลายและแม้กว่าคนเชราบางคนซึ่งมีแต่อาสวะห่อหุ้มชักจูงให้หลงไหลอ ย, อยู่ในวิกิตรารมณ์ต่างๆพระองค์ทรงเห็นว่าภายใต้สิ่งอดูเหมือนกุหลาบแห่งชีวิตนี้มีสิ่งซึ่งเป็นประดุกหนามซ่อนอยู่ภายในทั้งเส้นชีวิตทุกชีวิต ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดชาวนาต้องอาเงื่อต่างน้ำเดินตามหลังโคคู่เหยียบย่ำไปบนดินเหนียวซึ่งอาจมีเศษแก้วเศษกระเบื้องหรือน้าแหลมซุกซ่อนอยู่ก็เพียงเพื่อให้ได้อาหารมาเลี้ยงชีพตนบุตรพันยาและบริวารชนอื่ น, นๆเขาจึงต้องทนเหยียบย่ำไปตามรอยไถท่ถามกลางแสงแดดกล้า โคเล่าก็จำต้องยอมลากแอกและถายไปในฐานะเป็นสิ่งอันตโนสลัี่หลุดไม่ได้หนังคอนั้นทลายปอกเปิดเพราะการคลื่นแงแอกบางทีถูกตีได้ไม่เร็วถูกแทงด้วยประตักจนขนหลุดร่วงมีเลือดไหลซุมออกมาแม้จะร้อนและหิวยากระหายน้ำก็ไม่อาจพูดจาขอร้องวิงวอนใดๆ มีบางครั้งที่ผานไถแฉลบไปเสียดกับนั่งเลือดแดงสดพื่มออกมาบางทีก็เป็นรอยแผลลึกหน้าเวทนาบางตัวเดินน้นตาไหลมันอาจได้ยินเสียงลูกน้อยซึ่งยังไม่อดนมร้องเรียกหาแม่เพื่อดื่มนมหัวใจที่กรุณาต่อลูกน้อยอยากให้ลูกได้ดื่มนมนั้นทนทนแต่จะทำอย่างไรเล่า ใ น, นเมื่อแอกอันแข็งแรงหนาแน่นครอบคออยู่มีสายเชือกระโยระยางร้อยจากจมูกโยงไว้กับกอนไถอย่างมั่นคงมันต้องถูกจองจําทุกครั้งที่คนใช้งานสเสน็จเหนื่อยไม่ล้าอย่างไรก็ไม่อาจขอร้องวิงวอนเพื่อผ่อนพักจนกว่าว่าชาวนาจะเหน็ดเหนื่อยเหลือทนจนปลดปล่อยมันถึงกระนั้นก็ยังมีเชือกร้อยจบูก นำไปผูกไว้กับหลักให้เป็นอิสระแก่ตนบางตัวเป็นแผลลึกเน่าเปือยบนหลังและสีข้างท้ากินจะนอนไม่เป็นสุขต้องคอยใช้หางปัดบีมแมลงวันซึ่งคอยรบกวนสูบเลือดกินเนื้อและยังตป็สาเหตุให้เกิดหนอนช่วยขัดกินเนื้อของมันอีกด้วยช่างน้าสงสารสังเวชอะไรฉชนนั้น ให้ทรงสังเกตเห็นกี้กาคอยจับมดกินเหยี่ยวเล่ากินกี้กาและโฉบเอาอาหารที่เสือตาหาได้ไปด้วยอาการแห่งผู้ยื้อแย่งถือว่าดินอยู่บนเหารหาเสือตาไม่อาจตามล่าตนในพวกกลานั้นเล่าปลาใหญ่ก็ไล่ล่าปลาเล็กๆนกกลางเข็นไล่จับนกเล็กๆล็กชนิดหนึ่งเพื่อประหัตประหาร ล็อกเล็กๆนั้นก็ไล่จับผีเสื้ออยู่ก่อนทุกทุกแห่งมีการฆ่าและการทำลายกันเพื่อเอาชีวิตหนึ่งไปช่วยให้ชีวิตหนึ่งคงอยู่เพียงการอิ่มท้องเพียงครั้งเดียวต้องฆ่าชีวิตอื่นมากมายฝ่ายหนึ่งเพียงเพื่อความอริสอร่อยทางชิวหาหรืออิ่มท้องฝ่ายหนึ่งต้องสละชีวิตทั้งชีวิตเพื่อพลีกับความกระหายนั้น ตั้แต่มดตัวเล็ดเล็จนกระทั่งมนุษย์ต่างก็ดิ้นรนลบรีภัยและเพื่อความคงอยู่แห่งชีวิตและพิฆาตก็โดวิธีต่างๆเมื่อเป็นชนีอะไรเล่าที่ควรจะเป็นสิ่งชื่นชมโศมนัสสิ่งที่ชวนแคลแสเห็นว่าเริงรื่นนั้นก็เป็นต่เพียงฉากมายากบังความจริงไว้มิให้แลเห็นว่าสิ่งทั้งปวงตกอยู่ในความดิ้นรน คนทรมานพุทธังคูณทรงเห็นและทรงจินตนาการลึกซึ้งดังนี้แล้วทรงการพกับพระองค์เองบเบาว่าพื้นธรณีไม่หรือ ที่มวลชนพาขรรเสรอหนหลงไหลว่าเตริมด้วยความสุขช้าชนาบทผู้หนักเหนื่อยสาเมือฝ่าเท้าก้านตั้งบริโภคข้าวสุกกับเกลือการใช้หัวช่างหนักมือสิไมใ่ใครการต่อสู้ระหว่างผู้ดีเรี่ยแรงกับผู้อ่อนแอนได้พงรกการหนามมีอยู่ทุกวันช่างร้ายกาศอะไรเช่นนี้ ทางอากาศก็มีการเคี่ยวเข็นเข็นฆ่ากันแม้แต่ใดน้ำก็ไม่มีที่พ้นภัยหากชีวิตทุกชีวิตร้องขอความช่วยเหลือได้วันหนึ่งวันหนึ่งคงจะมีแต่เสียงระงมร้องขอชีวิตนั้นโลกจะระ ง, งมไปด้วยเสียงปริเทวนาการหน้าเมตตาพระโพธิสัตว์ปรีกองลงไปประทับอยู่โดดเดียว นับใต้ร่มชมพูพลึกกรอบด้วยสาขาและใบมีพันเขียวตาประหนึ่งว่าอินทนินคีมีปริมนทนร่มเย็นเป็นโรมนียสถานทรงจินตนาการอย่างลึกซึ้งถึงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายต่อไปมีพระมนัะเอื้ออาบด้น้ำคือพระเมตตาพระไทยนั้นดิงนลงสู่ความสงบอาศัยเมตตาภาวนานั่นแลเป็นอารมณ์ พระโพธิสัตว์จึงได้บรรลุปฐมฌานมีพิตกพิจารณปีติสุขและเอกกคตาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยประการัชนี จอมาในอากาศเมื่อมาถึงเบื้องบนตรงต้องชนผู้พลึกก็ให้รู้สึกรวนเรติดขัดจึงปรึกษากันว่าเพราะเหตุไดหนอจึงมีเหตุการณ์อันไม่เคยมีเชน่นนี้ไม่อาจลอยล่องต่อไปได้จึงทอดทัศนาการลงมาเบื้องล่างได้มองเห็นพระุทธิสัตว์พุทธกุมาร น, นั่งรม่มเพลิถึงการช่วยเหลือสัตว์โลกอยู่มีความปลื้มใจเป็นักหนาว่า เปโชคของ ม, มนุษยชาติแล้วที่มีบุรุษผู้สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์สั้งหลายอุบัติลงมาในโลกนี้มวลชนผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์จักพ้นจากสังสารทุกข์กันครั้งนี้เองกล่าวดังนั้นแล้วจึงลงมาช่วยอารักขาไม่ให้สิ่งใดรบกวนพระพุทธกุมารแม้ตะวันจะชายบ่ายคล้อยไปแล้ว ก็ช่วยกันในระนิพบางดาลด้วยฤทธิ์ของตนให้เกิดร่มเงาไม่ให้แดดแผดเผาพระโพธิสัตว์พุทธกุมารเมื่อพระโพธิสัตว์หยุดตรงพึงถึงการช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์แล้วพวกปัญจเทพก็พากันล่องลอยต่อไป ดาได้ทรงเห็นเหตุการณ์ศจรรย์พระตะวันชายไปแล้วชมหูพฤกษ์ด้านตะวันตกควรจะมีแดดแต่ปรากฏเป็นร่เมเงาเช่นเดียวกับทิศตะวันออกเพื่อปกป้องพระราชโอรสขณะนั่งเจริญสมาธิภาวนามีเมตตาเป็นอารมณ์ฉะนั้นก็ทรงมองเห็นปาฏิหาริย์แห่งพระราชปิโยรสจึงยกประหัตขึ้นถวายอภิวัณคาการ ประกอบด้วยเ็จพิธีแรกนาจิ้นให้เชิญพระพูพธิสัตว์กลับสู่พระนครตั้งแต่บัดนั้นแต่ต้นมาพระหรุ t ไทยของพระสิทธะก็เตี่ยมไปด้วยเมตตาปราถนาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์พระชนมายุสูงขึ้นเท่าใดพระเมตตากรุณาก็เพิ่มขึ้นตามบางค่าวมาทงเห็นสัตว์เป็นเต้นว่า นกถูกทำร้ายโดยการถูกยิงด้วยลูกศรพระองค์ทรงช่วยเหลือเก็บรกทั้งขึ้นมากอดแนบจังพระอุระทรงปลอบไม่ให้นกหวาดกลัวค่อยๆประคองจักปีให้เรียบร้อยแล้วทรงลูกคำ ล, ลกนั้นด้วยพระหัตอันบาและอ่อนนุม่มประดุดใบซองอ่อนขณะที่พระหัตถ์เบื้องซ้ายประคองนกพระหัตถ์เบื้องขวาทรงถอดลูกศรเหล็กอันร้อยแรง แตทรงาพากแผลด้วใบไม้อ่อนกับน้ำผึ่งพระองค์เองไม่เคยประสบความเจ็บปวดจากบาดแผลจึงทรงการลูกสอนแรงไปบางเอง อ, งอนปลาลูกศรถูกประหัดหนอยหนึ่งจึงรู้สึกเจ็บปวดทรงเทียบเทียมพระองค์กับนกแล้วมีพระกรุณามากขึ้นจึงทรงกอดนกไว้นั่นพระองค์ใหญ่กว่านกถูกปายลูกศรเพียงเล็กน้อยอยังเจ็บปวดทั้งป่านี้ นกตัวเล็กและถูกลูกสอนเสียบทั้งดอกคงเจ็บปวดมากกว่าพระองค์เป็นทศกูล ผู้ยิงลกมาขอโดยอ้างว่าข้าเป็นผู้ที่ยิงล็อกตกลงมาเขาควรมีสิทธิในลกนั้นพระปูท่ที่สัตว์จึงกล่าวว่าผู้ทําลายชีวิตไม่ควรจะเป็นเจ้าของสิ่งที่มีชีวิตผู้ช่วยชีวิตสิ่งที่มีชีวิตนั้นต่างหากเล่าที่ควรเป็นเจ้าของชีวิตเมื่อลกอยู่บนเวหาใครเล่าเป็นเจ้าของมันเป็นของกลางมิเชื่อหรือมาเป็นอย่างนี้ ผู้จะทำให้มันตกลงมาจึงควรเป็นเจ้าของคนยิงนกเถียงหากนกนี้ตายการจะส่งมันไปให้คนยิงก็ชอบอยู่แต่มื่อนกนี้ยังมีชีวิตผู้ที่มีสิทธิเป็นเจ้าของก็ ค, คือผู้พิทัก์ชีวิตแล้วส่งประของนกมาประทับที่ประกแล้วตรัสต่อไปว่านกนี้เราให้ท่านไม่ได้มันเป็นของเรา ท่านถือสิทธิอะไรว่าลูกนี้เป็นของท่านสิทธิแห่งเมตตาธรรมข้าได้บอกท่านว่าผู้ควรจะคลบคราวสิีชีวิตก็คือผู้ปิทักษ์ชีวิตหาใช่ผู้ทำลายไมหากท่านยินยอมตามนี้ก็เชิญท่านไปหาผู้รู้มาตัดสิเนเถิด ในที่สุดเรื่องก็ตกไปถึงอัครมหามนตรีสภาหลังจากที่ถูกเถียงกันอย่างมากแล้วอัครมหามนตรีสภาก็ตัดสินให้ประสิทธิ์ตาเป็นผู้ชนะพระองค์ทรงตาพุ้งเป็นอันนาคที่ได้ช่วยชีวิตสัตว์ให้พ้นปลอดภัยตั้งแต่บาดนั้นเป็นต้นมาพระไทยของพระองค์ก็วนเวียนถือเรื่องหาทางช่วยเหลือปลดเครื่องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ พระอาการจึงไม่รื่นเริงแจ่มใสเยื่องระรดนที่อยู่ในยาววัยทั้งหลาย ท, ทั้งทั้งที่พระองค์เองประสูดแล้วภายใต้สเสวติตชัดสมรณลด้วยความสุขทุกประการที่ราชกุมารจะพึงได้รับพระอาการในกล่าวนี้มีได้พ้นจากสายประเนตรของสมเด็จพระรา ช, ชบิดาเลยจอมคนแห่แงแคว้นส ก, กัดทรงไม่สบายพระไทยไปตามด้วย พระประมงทรงรำร็จได้อยู่เสมอถึงคำทํานายของโกนธัญญพ ร, ร า, ามที่ว่าพระราชโอรสจะต้องออกผนวดและจะเป็นศาสดาเอกในโลกซึ่งทางนั้นไม่เป็นที่ต้องประสงค์เลยพระองค์ต้องการให้ประบาดแห่งพระราชโอรสหันไปสู่ทางอันจะนามาซึ่งสัตดาดูภาพที่เกลียวไกยิ่งใหญ่เป็นเครื่องหมายแห่งความสุขความรื่นรม แห่งสากกะยาวงทะพวงแต่สีพระพักแลแววพระเนตรของพระรา ช, ชโอรสดูไม่ได้ตักไฟไปในทางที่พระรา ช, ชบิดาทรงพระประสงค์เลยพระองค์ทรงไฟหาแต่สันติธรรมมีพระไทยเหนื่อยหน่ายต่อความสุขที่พระรา ช, ชบิดาได้นํามาปลนเปลืให้ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อร่อยที่อยู่อันสะดวกสบายทั้งสามฤดูกาล เสื้อผ้าแพ้วพันอันสันแล้วจากแค้นกาสีและมูนารีอเลโชมล้วนแต่ดำรงอยู่ในวัยอันพึงชมเหมือนบุปชาตแรกแย้มพร้อมที่จะเบ่งบานไม่ได้รับแสงแห่งตรียามรุ่งอรุณอะไรเล่าจะครองดวงหะไทยของพระราชโอรสให้ตกอยู่และบกมุ่นอยู่ในลกิี่ยาลมเมื่อจนพระไทยพระเจ้าสุโธทนะ จึงทรงหันเข้าปรึกษากับอำมาตย์มนตรีทั้งหลายอำมาตย์อาวุโสผู้หนึ่งทูลว่าขอเดชะมหาราชข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าผู้ดำรงอยู่ในวัยหนุ่มเช่นพระราชโอรสนี้จะหาสิ่งใดยึดเหนี่ยวพระไทยให้มกมุ่นอยู่ในโลกีและวิชิตอารมณ์ต่างๆยิ่งกว่าสตรีนั้นไม่เห็นมี ควรผูกมัดพระราชโอรสด้วยความงามแห่งสตรีเพศโดยรอบพระไทยความงามแห่งดวงตาของสตรีสวยนั้นมักเสียดลึกเข้าไปในหัวใจของบุรุษหนุม่มและริมที่ปากอันหอมชื่นของเธอเล่าก็จะเป็นเครื่องย้อมพระไทยให้พระราชกุมารมันเมาสยบอยู่ได้เชืตู้ไก่ต้องเคระแห่งอสรพิษชายที่มีอำนาจในตน มีความทนงใศสัตว์รักอิสระเสรีแม้โซ่สมฤทธิ์ก็ไม่อาจรั้งไว้ได้นั้นบางทีเพียงเส้นเกสาแห่งสตรีเส้นเดียวก็ผูกไว้ได้อยู่ประหนึ่งกำลังรื่อแรงแห่งงูเหลือมอาจรักสัตว์เป็นต้นว่าไก่กระต่ายและแม้แต่คนให้ดาวลด่นลงได้แต่มันก็มาซึ่งิดลงด้วยเส้นใยแห่งตัวตานีเพียงเส้นเล็ก ขอผู้หนึ่งทูลว่าขอเดชะมหาราชข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าผู้ดร ง, งอยู่ในวัยหนุ่มเช่นพระราชโอรสนี้จะหาสิ่งใดยึดเหนี่ยวพระไทยให้หมดมุ่นอยู่ในโลกีและวิจิตรารมณ์ต่างๆยิ่งกว่าสตรีนั้นไม่เห็นมีควรผูกมัดพระราชโอรสด้วยความงามแห่งสตรีแพทย์โดยรอบพระไทย ความงามในดวงตาของสตรีสวยนั้นมักเสียสเล็กเข้าไปในหัวใจของบุรุษลนุม่มและริมทิศปากอันหอมเชยของเธอเล่าก็จะเป็นเครื่องย้อมพระไทยให้พระราชกุามารเงินเมาสยบอยู่ได้แชกตู้ไก่ตั้งเคระแห่งอสสารพิษชายที่มีอำนาจในตนมีความทนงในสัตว์รักอิสระเสรี แม้โซ่สมิทก็มิอาจรั้งไว้ได้นั้นบางทีเพียงเส้นเกษาแห่งสตรีเส้นเดียวก็ผูกไว้ได้อยู่กระหน่งกําลังรีบแรงแห่งงูเหลืองอาจรัดสัตว์เป็นต้นว่าไก่กระต่ายและแม้แต่คนให้ดาวลิ้ลงได้แต่มันก็มาซึ่งลิ้ลงด้วยเส้นยายแห่งตั้วตานีเพียงเส้นเล็กๆในโลกนี้มีสิ่งอันเป็นปฏิบัติต่อกันปราบ ก, กันได้ มาจักให้ถูกช่องทางเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้ า, จ, าจึงเห็นด้วยกล่าว่าควรอภิเสธสมรสพระราชกุมารด้วยสตรีผู้สูงสักผู้เพียรพร้อมไปได้วยความอ่อนหวานและรูปสมมัติควรแกการคลองพระไทยผูกมัดพระสิท ธ, ธัถาให้ดำรงอยู่ในคารวะวิสัยไว้การระลึกถึงการบรรพชาหรือการหนีโลกพระไทยของพระราชกุมารจะอ่อนลงเพราะเหตุนี้ ก้อนนวลารีช่วยละลายก้อนดินแข็งให้แชื้ฉยเป็นโคลนตม อ, อามาตย์มนตรีคนอื่นๆพระเจ้าสุโธธนะก็ทรงเห็นชอบและทังฑ์จะผูกมัดพระไทยของพระราชโอรสโดยวิธีนั้นแลแล้วพระองค์ก็ทรงอภิเษกสมรสพระสิท ธ, ธาอุมารกับพระนางยะโสธราพระราชธิดาแห่งพระเจ้าสุปปาพุท ธ, ธแห่งเทวทนครพระนางเป็นขจียาณีในโกริยะอ่อง เช่นเดียวกับพระนามหามายาพระมารดาแห่งพระสิทธะโพธิสัตว์พระานามโสุธารานั้นทรงมีความงามเป็นเลิศกว่าขติยนารีใดในโคลิยะวง เป็นที่ต้องพระไทยแห่งพระศิลปะและสรงเป็นที่โปรดปรานยิ่งนักของพระเจ้าสุทโธนะดวงเนตรของพระนางนันเสมือนดวงตาของนางน้อสายในฤดูแห่งความปฏิพัตดวงพรกเล่างามยิ่งเปลงปลังมีรสมีประดุจคันเพ็นพระชวีวัน ล, ละเอียดอ่อนผุดผาดนุ่มละไมพระนางเป็นดอกไม้ด า, าแห่งราชธานี ประกอบด้วยพระจ ร, ยริยวัตรอนุตรามหาที่ติมิได้พระเจ้าสุโทธทนะและพระประโยชน์ญาทัาน้นผู้ใหญ่พื่งพระไทยยิ่งนักดําริว่านี่แล้วคือโซ่ทองรัดลึงพระไทยแห่งพระราชะโอรสและพระองค์ก็ทรงหยุดยื่อนอารมณ์อนาโมเมาให้พระราชะโอรสมากขึ้นมากขึ้นทั้งทางตาหูจมูกเล้นกายและใจ พระสิทธะก็ทรงมัวเมาไปพักหนึ่งเวลาของพระองค์ล่วงไปได้วยความมาเทิเริงร ộ นต่างๆหลืวนแต่เป็นเหยื่อโลกีพระโลหิตเทคนหนุ่มมุ่งท่านไปทั่วสะพานแต่ไม่นานเทไตรนักเหล่าแห่งสมาธิยานก็กลับมารบเร้าพระองค์อีกแชกเช่นประกายแสงเงินแห่งเคยสาบต้องขมุกขมมวลงเพราะก้อนเมฆร่องรอยมาเป็นงล่าว ระยะนั้นข้าสึกในระทไทยมีอยู่ใหญ่หลวงนักความสลดสําเวจและความรื่นรมหันษาต่ออารมณ์ต่างๆพลัดกันเข้าออกในสมรภูมิคือดวงหาทัยของพระโพธิสัตว์จนดูสับสนโอรเวงบางครั้งพระองค์จึงสูญเศร้าบางคราวก็เรื่อเริงพัดเปลี่ยนกันอยู่ไปมายาโธทลาเล่าก็คอยตนิบัติไม่ได้ขัดพระทยแต่น้อย ทุตตาบาลีเต็มเปลี่ยนแล้วเป็นปัจชิมภาริกะ บ, บุคคลมีพบครั้งสุดท้ายจึงมักมีเหตุบันดาลให้มองเห็นเงาแห่งสัจจะของชีวิตแม้ท่ามกลางความมืดคืออวิชชา พระองค์เวลานั้นก็คือชนะอมาตเพราะองค์ได้ทรงบายความรู้สึกต่างๆแก่ชนะเสมอในสายตาของคนอื่นพระองค์น่าจะทรงมีความสุขเหลือเพราะมีทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะมีแกลาสาสามาดอูอสวยงามทํำด้วยไม้หอมและอิฐเลยประกอบอันอื่นล้วนอำนวยความสะวกความสุขความสบาย จะโบกรณีอ น, นุบัวเป็นสะพานบานสะข่างพระราชยุตยานอารื้นลมบริวารชนที่คอยเคารพรบนอกพระราชสิดาและพระน้านาคที่คอยเอาพระไทยเพราะมเหสีที่งานด้ดีพร้อมถวยราดที่จงรักพักดีเป็นอาทิเหลือเจปนาลารวมถนนตรีที่ไพเราะเหมือนทิพย์ะดุริยางกรอบด้วยดงระมังรำฟ้องที่เลือกแล้วว่า ลเลื่ลประดับพัตตราภรอันแผ้วๆคอยฟ้อนรำให้เบิกบานพระไทยแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อจําเจวันแล้ววันเล่าก็ก่อให้เกิดความเบื่น่ายมากกว่ารุ่นรมปรากฏแก่พระสทธะว่าพระองค์มัถูกคุมขังอยู่ในวังอันเพื่อพายไม่มีความรู้อะไรเลยวันหนึ่งจึงทรงปรึกษาช น, นะอมาร์คู่พระไทยว่าช น, นะ โลกของฉันมีเท่านี้เองหรือหมายถึงอย่างไรยพะยาค่ะหมายความว่ า, าโลกที่ฉันควจะรู้สิ่งที่ฉันควรจะเห็นมีเพียงในพระราชวังนี้เท่านั้นหรือสำหรับเจ้าชายมีเพียงเท่านี้พยาค่ะทําไมเพราะสมเด็จพระพระชาชบิดานั้นทรงอนุ ญ, ญาตให้พระองค์ทรงรู้เห็นเพียงเท่านี้ ฉันทำความผิดอะไรช น, นะฉันทำความผิดอะไรจึงถูกทำโทษให้เห็นเพียงเท่านี้โลกภายนอกพระราชวังเป็นอย่างไรฉันไม่ควรเห็นบ้างเลยหรือฉันคิดว่าฉันเป็นคนนุมที่น่กว่าใครทั้งหมดในเมืองของเราหาไม่ได้พยากาพระ อ, รองค์ทรงเฉลียวฉาดที่สุดในเมืองนี้ใครๆก็ยอมรับอยอมเชื่อเลยช น, นะ ฉันเป็นเด็กโลกที่สุดที่ถูกกักขังแต่ในวังเหมือนนอกน้อยที่อยู่แตในกรงฉันน่าคิดว่านกในกรงจะขนาดและแข็งกล้ากว่านกที่บินอยู่ในป่าอย่างเป็นอิสระอย่างนั้นหรือฉันน่าเป็นเพื่อนแท้ของฉันทําอย่างไรฉันจึงจะได้รู้จักโลกกว้างบ้างฉันอยากเที่ยวไ ป, ไปนนเที่ยวไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้พี่ล่ะค่ะ สมเดพระราชบิดารับทั้งทุกคนไว้แข็งขันว่าจะยอมให้เจ้าชายออกนอกพระราชวังไม่ได้นอกจากพระองค์จะทรงอนุ ญ, ญาตเท่านั้เจ้าชายทรงแม่จรรย์พระองค์ทรงดํามิดอย่างลึกซึ้งความเห็นใจผู้อื่นนั้นมีประจำพระอัยาศัยแต่ความอยากรู้ก็มีอยู่มากไม่น้อยกว่าจึงตัดกับชนะว่าชนะเราไปก็เล่าฟังด้วยกันสักครั้งเถอด มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นฉันรับรองเองฉันรับรองฉันนั้นเป็นคนหนุ่มก็ไม่ด้ราวกลาวเดียวกับพระสิทธิถา ความคโ อ, อยากโลกแต่กับโลกกว้างก็มีอยู่า่าประกอบด้วยความทุสารเห็นใจคนห่มด้วยกันที่ถูกกักขังไม่เพียงวังและผู้นั้นก็เป็นสหายที่ตนรักใคร่เคารพก็มีใจเอ็นเอียงในการจะกระทำตามคำขอร้องของพระศิท ธ, ธะแต่ความเกรงพระราชอาญาของพระเจ้าสุโทธทนะก็มีอยู่ไม่น้อยทำให้ลังเล ในช่วงจังหวะที่ช น, นะลังเลอยู่นั่นเองพระสิทธาจึงตั่ว่าช น, นะสหายรักคนอื่นไม่มีใครช่วยฉันได้ไม่มีเลยในเมือง น, นี้ฉันเห็นแต่ช น, นะคนเดียวนี่แหละช่วยอนุเคราะห์ให้ความปรารถนาของฉันรุ่เรื่องไปได้วยเถิดเมื่อถูกอ้อนวอนบ่อยเข้าใจของช น, นะก็วานไหวความสงสารเห็นพะไทย มีพานุภาพเหนือความเกรงกลัวพระราชอาญาของพระเจ้าอยู่หัวเครืหนึ่งเมื่อย่างเขากินปฐมยาเมเล็กน้อยฉันนะก็พาพระสิท ธ, ธะและลอดออกจากวังเที่ยวไปตามร้านตลาดและซอกซอยต่างๆที่ทีคนพลเมืองประกอบอาชีพต่างๆพระสิทธถะได้เห็นช่างเหล็กมีเหงื่อส้มกายหน้าดำเปลือเปลือดด้วยขมาไฟผสมหยาเหบื่อ ผนุ่งขาดมีรอยปากมากมายหลายแห่งมือกล้าหยาบเพระจับจะ่ขอนแข็งหน้าตามีริ้รอยแห่งความเศร้หอมองทำไมเขาทำงานหนักอย่างนี้นะฉันนะเขาไม่มีทางเลือกพยาคาความจริงอาชีพหนักและเหนื่อย น, นั้นไม่มีใครอยากทำแต่เขาเลือกไม่ได้ความจาเป็นในการขอชีพบังคับให้เขาต้องทำ ก็าไม่ทำก็ไม่มีอะไรจะกินเขาต้องเลียนดูลูกเมียพระองค์ทรงทอดพระเนตรสิฉันนะชี้มือไปทางขวาเพื่อสิท ธ, ธะทรงทอดพระเนตรตาม ปัญญาและลูกของช่างเหล็กพระสิทธาได้มองเห็นเธอเป็นสตรีวัยกลางคนท้องแก่กําลังตามข้าวแสงตะเกียงสะท้ อ, อ, อ, อนในเห็นเหมือไม่ต็ดโป้งตรงหน้าผากรู้สึกเธอเหนื่อยๆมากลูกคนหนึ่งกําลังคลานอยู่รอบๆครบจับเศษหญ้าเศษ ฟ, ฟางได้ก็เอาเข้าปากตามวิสัยเด็กแก้อมดําเห็นที่โรงเรียนรายคล้ายระแนงเล็กๆ พระพัดของพระสิท ธ, ธะสลดลงทันทีตรัสกับชนะว่าชนะฉันบอกเธอแล้วว่าฉันโง่และโง่จริงๆสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเห็นเลยยังมีอะไรแปลกๆคนนี้อีกมากพยะค่ะพระสิท ธ, ธะเลิกพระขนงทำนองฉง น, นพระไทยแล้วทั้งสองก็ออกเดินทางต่อไปมีสตรีอีกลายหนึ่ง นั่งกอดเขาร้องห้ายอยู่หน่าเรือนเมื่อถูกถามนางกินเล่าว่าสามีของนางเป็นมีเมียน้อยนาง น, นางจึงจะกลับมาเยี่ยมบ้านแต่ครั้งหนึ่งการจินอยู่ของนางแสนลาบากมีลูกน้อยอยู่คนหนึ่งอดมื้อกินเมื้อและเจ็บป่วยกระสอบกระแสะไม่รู้ชีวิตจะเดิยนยาวไปเท่าไหร่นางอยากจะฆ่าตัวตายแต่ว่ายังเป็นห่วงลูกน้อย ใจนางนั้นยังจงรักภักดีต่อสามีอยู่แต่เขาสิยิ่งเล็กถึงนักใจของนางเลย ได้ยินเสียงดังเออะออกจากบ้านหลัหนึ่งประยุทธ์ฟังก็ทราบว่าสองสามีพันยาเะเลาะกันเรื่องหนี้สินฝ่ายสามีสงสัยว่าพันยาจะไม่ซื่อตรงต่อตนได้ยินเสียงทุบตีกันและกันเสียงสะเอื้องของพันยาลอดออกมาจากช่องฝาเพื่อเสถียรและชนะเดินต่อไปก็ได้พบและได้ยินได้ฟังแต่เรื่องเศ้าหมอง มือหรือโลกมือหรือภารกิจของมนุษยชาติโดยทั่วไปความสุขช่างน้นอยสท้จิงเราถูกหลอกให้ได้เห็นได้รับรู้แต่ของปลอมภายในรั้ววังอันจำกัดไม่ได้เห็นการต่อสู้ดิ้นรนและความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์พระสิท ธ, ธะทรงตรีตรองอย่างลึกซึ้งทรงดำเนินต่อไปเพราะอรุอทยัยมิเศ้าหมอง พระองค์ได้มาทอดพระเนตและรับทราบของจริงเข้าแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ดิ้นรนอยู่ในข้วงของความทุกข์ทรงดำเนินต่อไปกับชานะได้ทอดพระเนตรชายกลุ่มหนึ่งกำลังส่งเสียงเอะอทําท่าทางต่างๆบางคนอ่อแอะคอพับคอเอียงตาปรือพวกนี้กำลังร่ำสุรากันมาตั้งแต่พอย่าคำ่ำ จนป่านนี้เจิญซึ่งปฐุมยามแล้วเล็กน้ำเมาทำให้วกเขาขาดความสำรวมตนพูดจาหยาบคายด่าทอกันเองมีท่าทางเหมือนคนมิกลจริตมีแต่คนพูดไม่มีคนฟังนี่หรือสภาพอันแท้จริงของโลกของชีวิตอันเราไม่เคยได้รู้เลยพระสิท ธ, ธาอุทานแล้วชวนน า, นายชนะกลับ ที่สี่ในโลกแห่งความเป็นจริงปาตรีนั้นเพราะสิทธะไม่อาจบรรทมให้หลับสนิดได้ ต่างๆที่เห็นมาข้ามรบกวนพระไทยทรงเปรียบเทียบความเป็นอยู่ของพระองค์เองกับความแร้นแค้นาบากของคนทั้งหลายแล้วมีพระไทยกรุณาพระองค์ได้เห็นความทุกข์ความดิ้นรนของมนุษยชาติในภาวะการต่างๆกันอะไรเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์ทรมารเหล่านี้ใครได้เคยคิดแก้ปัญหาเหล่านี้บ้าง หรือว่าจะปล่อยให้ทุกทรมานกันต่อไปเรามีทางใดจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้บ้างความสุขขนาดในพระราชวังที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้มีส่วนช่วยอะไรให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายได้คลายโศกคลายความหมุนหมองโกได้บ้างเรามีความสุขแต่คนทั้งหลายไม่ได้สุขเช่นเราเรามีพร้อมจนเหลือเฟือแต่คนทั้งหลายขาดแคลน เราจะทนอยู่ไปอย่างนี้หรือเราจะมีความสุขั n z าอยู่ท่ามกลางความทุนขทุรายท่ามกลางความเดือดร้อนของพลเมืองของเราหรือมีทางใดที่เราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเราได้บ้าง นาการเรื่องอีและเริมขณีโพงอยู่พระนางพระโสราได้สักเกตเห็นจึงทูลถามว่าทูลกระหมทูลกระหม่อทรงเป็นอาย ไ, ไปไปคะบัญทมลืมพระขณีโพงจะสรงเงียบขึงมีอะไรที่หม่อมฉันพอจะช่วยเหลือให้พระองค์ทรงเบิกบานบัญทมที่เถิดที่รักไม่มีอะไรมากไม่ใช่เรื่องในครอบครัวของเรา พี่เพียงแต่คิดถึงประชาชนประชาชนทนายไปคะพี่รู้สึกว่าประชาชนส่วนใหญ่ตกอยู่ในความลาบากเหมือนไหว้วอโชว์มือกว่าไขา่ขอความช่วยเหลือในห้องมหาสมุทรคืนโลกนี้เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ไปคะเป็นอย่างนี้มานานแล้วพระราชาองค์ไหนองค์ไหนก็ช่วยไม่ได้ คุณต้องช่วยตัวเองสเสลจพี่อย่าไปคิดอะไรมากเลยช่วยไม่ได้หรือว่าไม่ได้ช่วยแต่พี่เห็นว่าประชาชนเขาช่วยแล้วนะช่วยอย่างไรเพคะช่วยเราอยู่สบายยิ่งสบายอยู่ทุกวันนี้รายได้พวกเรานั้นได้มาจากการสลาหยาดเงินแรงงานของพวกเขาคนเล็กคนน้อย เมื่อคนเข้าก็กลายเป็นทรัพสมบัติมาถืมาไม่ใช่บรรพบุรุษของพวกเราสะสมทําไว้ให้หรือเปคะพวกนายวสทราทูนสามนั่นก็ถูกแต่มันก็มาจากแหล่งเดียวกันแหล่งไหนไปคะพาษีอากรจากประชาชนแต่เราก็แบ่งหน้าที่กันทําแล้วนี่ไปคะพวกเราพวกกษัตริย์ มีห น, น้าที่การปกครองและรับผิดชอบประเทศพวกเราทํางานด้วยการรับผิดชอบคอยประหม่าทุกบํารงสุขของพวกเขาเหมือนกันให้พวกเขาได้ทํามาหากินโดยสงบสุขอีไอายรบกวนการทํามาหากินของพวกเขาพวกเราก็ช่วยขจัดปัดเป่าให้รวมความว่าพวกเราก็ช่วยพวกเขาเหมือนกันแต่ว่าพวกเรานั้นปลอดภัยกว่าพวกเขามาก ป็นวกสบายพอผู้เขามากเป็นเรื่องธรรมดาพี่คะก็ะับ ร, รือว่าผู้ปกครองมา ไ, ไหนๆก็เป็นอย่างนี้ถท่นั้นแหละ เพียงเท่านั้นพระองค์ทรงดําริลดซึ้งไปว่าความทุกข์ยากลำบากที่มนุษย์ทั้งหลายได้รับอยู่เวลานี้ดูว่าจะเป็นแก่เหตุน่าจะมีต้นเหตุแห่งความทุกข์อะไรสักอย่างหนึ่งซ่อนเร้นอยู่น่าจะลองหาสาเหตุอันดูเนื่องจากพระอัจฉริยสัยของทารโกกีของพระองค์นั้นมีน้ยอยู่แล้ว ไม่ได้ทรงเห็นความทุกข์ขชาโลกก่อสมอยู่ทุกด้านตัวชีวิตเช่นนั้นยิ่งทําให้พระองค์ทรงน้อมป็นทางหลายโลกมัน่นอย่างไ้มยเหตุการณ์อยู่สามครั้งที่ทําให้พระองค์ไม่ต้องการความสุขแบบโลกโลกเพราะทรงพิจารณาเห็นว่าความสุขนั้นย่อมดีที่สุดเป็นทุกข์ลงท้ายที่ความทุกข์ รร้อยสะอาดอย่าให้พระราชะโอรสได้พบเห็นสิ่งใดที่จะทำให้เกิดความเศร้าหมองใจคนตาบอดคนเท้าด้วนคนเจ็บต่วยคนชราคนเป็นโรคเรื้อนและคนพิกลพิการอย่าให้อยู่ในเส้นทางเสด็จเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นจึงมีการกว่าถนนราดด้วยน้ำสะอาดประดับพวงระยะใหม่ ตั้งขึ้นจนไม้หน้าประตูบ้านรูปสีตามปาผนังได้รับการระบายสีสอนแทใหม่รูปคารพทั้งปวงไป็น้นว่าเทอรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของปวงชนได้รับการปิดทองใหม่ทั่วพระนครได้รับการตกแต่งดุจทิพย์พยาวิมาณมีทงที่ปลิวสวัยโบกสะบัดดอกไม้หอมานานาชนิด จะรับการตกแต่งเป็นรูปต่างๆที่ซุ้มประตูทำได้ไม้หอมพร้อมติดคำถวายพระพรเป็นระย ะ, ะยะถึงเวลาพระสิทธะเสด็จออกปร ะ, รระรทับบนราชรถเทียมด้วยโขคู่สีขาวดุจม้าผ่านไปนทางใดประชาชนก็ชโย โ, โห่ร้องแสดงความปลาเพลิมเบียดเสียดยัดเยียดกันพระอ้าชมพระบารบี ดวงหน้าทุกดวงยิ้มให้ดวงตาทุกดวงแววโรดขึ้นแม้อาการนี้จะเป็นการชั่วคราวก็ตามชั่วคราวขณะที่ได้เห็นพระสุทธรรมนัแต่แล้วขณะที่ทุกถนนกาลังเต็มไปด้วยหน้าตาร่าเรงิงและสภาพเป็นความเชื่อมชมนั่นเองตื่นยาจบเข็นใจก็ร่องแกร่งคนหนึ่งตาตื่นและโสมม ไปได้เหงือและไข่เดินโซเซออกมาจากหลุมที่ซ่อนตัวอยู่พยูงตัวเองเดินไปกลางถนนเขาทุพลภาพเต็มไปได้วยชราลักษณะหนังเหี่ยวย่นติดสะดกสนิทบหนหนังสัตว์ที่หุ้มอยู่กับกระดูกอำ น, นาจแห่งกาลเวลาที่ผ่านมานานทำให้หลังของเขานั้่นโก่งลงเลสมอนไหลอ่อนที่ถูกดัดให้ห่อ กระบอกตามีสีแดงช้นเพราะการเซาะแห่งอสุชนเรื่องมาจากความโหยให้ติดต่อกันมาเป็นเวลานานตาแด้ตื่นและขากันไกลที่ตาาะจากไฟก็สั่นเทาได้พยาธิมีความกลัวที่ไม่เห็นมูอชนมากมายเช่นนั้นมือที่ผอมเพียงหนังหุง้มกระดูกข้างหนึ่งยันไม่เท้าลงอย่างพาดพื้น เพื่อประคองเท้าอันส่วนเสีทั้งสองข้างและมืออีกข้างหนึ่งบีดที่โครงเพื่อให้หลมหายใจออกได้คล่องขึ้นพร้อมร้องขอออกมาว่าทาทางเถิดทนทางเถิดเจ้าประคุมเจ้าข้าและวครวญครางเพื่อขอความเห็นใจว่าข้าพเจ้าจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ไม่ทราบได้ ขอได้โปรดเถียใจคนชราเถิดเจ้าข้าแล้วเขาก็าไอและแบกมือออกอยื่นไปข้างหน้าทางรีตาและสันเทาเพราะเส้นประสาทกระตุก ที่ห่มร้อนตามเสด็จก็ตกใจเพราะกองพระราชอาญาจึงช่วยกระหนากรือแรงให้พ้นจากถนนทลางกล่าวว่าพระราชโอรสเสด็จแล้ไม่เห็นหรือรีบ ก, กลับไปที่อยู่ของแกเ ถ, เถิดแต่พระเจ้าสิทธถฯรับสั่งว่าจงปล่อยแกปล่อยแกเสียแล้วผินพระพักมาถามนายชนะสารถีว่า ช น, นะโลกสัตโลกอะไรที่แม้เหมือนมนุษย์ผิดการที่แกหลังโกแวนแคนหน้าอนาจะมีอาการตื่นมีมนุษย์ใดที่พอเกิดขึ้นก็เป็นชนิดทีเดียวหรือคำที่แกพูดว่าแกอาจตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นั้นหมายความว่าอย่างไรแกคงไม่ได้กินอาหารกรมังก็ดูชิ้แนแหลมออกมาอย่างนั้น